55นะคะวันนี้เป็นวันแรมสามข้าเดือน8ดค่ะซึ่งเราก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากันมาได้ประมาณสัก2วันกับวันนี้นะคะค่ะเมื่อาวานนี้เช้าวันเสาร์นั้นเนี่ยซึ่งเราเป็นช่วงของการสากัะชาในเช้าเสาร์อาทิตย์นั้นเนี่ยก็ขอเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่า แม้ว่าขณะนี้ในช่วงธรรมดานั้นเนี่ยรายการธรรมาราบุรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอาจะเป็นการจัดรายการของท่านอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านจันทิมาเชยสงวนนะคะแต่ว่าพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นสาขาที่จะสนทนาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยโดยโด ย, โดยมีตัวเดนเองนะคะซึ่งก็ได้ มีบุญล้วค่ะที่จะได้มาทําหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนากับพระอาจารย์พยบูลอภิปโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้มุ่งในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกรนตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกตําบุดอนหายโศกอํเาเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะค ะ, ะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภกร ท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะค่ะก็คิดว่าหลายท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหากันอยู่แล้วก็เคยรับฟังรายการเราเป็นประจําเลยนะคะเช้าวันนี้นำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพรวุลภิปุโนพระอาจารย์ผูน้นวยการซึ่งเป็นองค์ปาถกประจํารายการของเรากันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าข า, าเชิญปอนสาธุเจ้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะเจ้าค่ะใชทราบว่าพระอาจารย์มีจดหมายหรือมีคําถามของโย ม, มที่มาถามพระอาจารย์เล่านิดนึง เดินทางไปหาเองถึงวัดเลยเหรอเจ้าค่ะใช่มีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการจากทางตําบลบ่งใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเจ้าค่ะนั่นก็เดินทางมานั่นคือคุณพ่อหนูจันทร์ชมปากทางอยู่บ้านหนองกุ้งแหวงกันก็เดินทางมาเลยวันนั้นเป็นวันที่หมดจบหลักสูตรการหลีกเร่นพอดีเจ้าค่ะนี่พ่อออกคนนี้ในภาษาอีสานนะนะเขาก็จะเรียกอุบาศกเนี่ยเรียกว่าพ่อออกพ่อออกนะ ก็ อ, ออกเจ้าค่ะก็คือหมายถึงอุบาสกอุบาสกคนนี on <sh> <y dual> ้ก็มาเลยบ๊บบ๊มาปุ๊บก็มาหาเอ่อมามาคือมาไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะเพิ่งจะมาเคยมาวัดครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าอาตมานี่คือพระไพบูรณ์เจ้าค่ะนะแล้วก็เลยมาถามหาพระไพบูลณ์ไหมเจ้าคะใช่ใเจ้าค่ะฟังรายการวิทยุนะก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็เลยได้เขียนจดหมายเอาไว้นะเพื่ออาตมาก็เลยบอกวงั้นก็ฝากคําถามไว้แม่ลาดจะได้ออกให้ทางรายการวิทยุ คุณพ่อนูจันชมบักทางก็เลยได้เขียนจดหมายเอาไว้อย่างนี้บอกว่าได้มาเยี่ยมพระอาจารย์ภัยบูรณ์ถึงวัดแล้วดีใจมากเลยขอถามท่านเรื่องหนึ่งแต่ว่าทิ้งไว้สองข้อนะขอถามเรื่องนึ่แต่สอข้อนึ่งข้อแรกข้อแรกนี่น่าสนใจมากที่คุณพ่อหนูจั์บอกก็คือว่าคนสอนยากเนี่ยจะเอาอะไรสอนคนสอนยากจะเอาอะไรสอนคุณเตือนใจว่า เมื่อถูกถามอย่างนี้คุณเตือนใจจะตอบเขาว่าอย่างไง <laughs> โ, โยมรู้สึกว่าจะตรงตอบคิถายุทธวิธีเจ้าค่ะตอบได้เลยคอลยือนีเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก่อนเอาพระแบบพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นบุคคลที่เป็นครูชั้นเลิศนะเป็นสารถีที่ฝึกคนควนรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีใครที่จะเป็นครูได้ดีเท่ากับสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะเพราะอะไร พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าทำไมพระเจ้าถึงเป็นครูที่ดีที่สุดในโลกข้อที่หนึ่งพระเจ้าเปรียบเหมือนกับช้างเวลาควานฝึกช้างหรือควานฝึกม้าเนี่ยนะ <Okay. S 1> เขาสามารถที่จะสั่งควานช้างควานช้างเนี่ยห ร, หรือคนฝึกม้าเนี่ยสามารถที่จะสั่งช้างหรือสั่งม้าได้ด้วยเพียงแค่การยกประตักให้เป็นสัญญาณนาะ <c oughs> ช้างหรือม้าเนี่ย <c oughs> เห็นแค่เงาของประตักนาะก็รู้แล้วว่าตัวเองต้องไปทางไหน เหนือใต้ออกหรือตกปานนั้นเลยน ะ, ะเหมือนทหารที่เขาอยู่ในกองทัพเนี่ยถูกฝึกดีแล้วขวาหันโพ้พับทุกคนเป๊ะหมดซ้ายหันโพ้ทุกคนเป๊ะหมดอย่างเงี้ยคือคืออย่างอย่างตอน แ, แรกที่ามาเพิ่งมาเริ่มจัดหลักสูตรการหลีกเร้นเนี่ยนะอะไระต่างๆมันยังไม่เข้าเข้าที่เท่าไหร่นะ เ, เราสั่งซ้ายหันบางทีซ้ายหันเนี่ยไม่90องศาเปะ นะยิง่งยี้ยงนิดหนึง่งทำผิดนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่อันนี้พูดถึงลักษณะการฝึกของพระเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นบุคคลที่ฝึกได้อย่างชนิดเนียบหมดนะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับภิกษุในธรรมะในนี้ว่าฝึกแล้วฝึกยังไงที่ว่าเนียบหมดเนี่ยคือจิตของทุกคนเนี่ยอยู่ในฌานหนึ่งได้หมดนะของบุคคลที่ฝึกจบแล้วนะฝึกจบ <Okay. S 2> แล้วเนี่ยอย่างพระอาหารหันเนี่ยจิตไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนแล้วก็ชื่อว่าเป็นลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมด นะคือไปทางเหนือได้หมดไปทางตะวันออกได้หมดตามที่สั่งได้หมดเพราะว่าจิต ท, ทุกคนกเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะฝึกออกมาแล้วเหมือนเป๊ะโอ้โหสุดยอดเลยทีนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่ฝึกได้ด้วยนะคนที่ฝึกไม่ได้ก็มีน ะ, ก, ะก็ต้องบอกว่าฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าบุคคลที่ฝึกไม่ได้นี่ก็ไปไ ป, ไปคนละทางคือทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่ามีคนที่ ที่ถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมของตถาคตก็ไม่สามารถออกมาจากอกคุสุลธรรมได้นะมีคนประเภทนี้อยู่คคหรือมีคนอีกมีอยู่หมด3าประเภทนะประเภทที่1ก็ที่ว่าไปแล้วนะต่อให้ได้ยินหรือได้ฟังสิ่งที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถออกมาจากทางแห่งคลองแห่งอคุสุลธรรมได้เลยไม่ได้คือ ม, มั น, นชั่วมาเกิน เจ้าค่ะเป็นพวกที่ถ้าเปรียบก็คื อ, อบัวอยู่ในดินในตมน ะ, ะนะคะรังแต่จะเป็นอาหารของเต่าปลาไปใช่พวกนี้ยังไงก็ไม่ไมีขึ้นนะเจ้าค่ะไม่ขึ้นคุดไม่ขึ้นแล้วเจ้าค่ ะ, ะ, คะหรือพวกที่2องนพวกที่2ก็คือว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นถึงแม้จะไม่ได้ยินนะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นคนดีมาแล้วสามารถที่จะไปสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นี่คือพวกที่สองคือมันดีมาแต่เกิดว่าเงินเดิมพวกนี้ ค่ะหรือพวกที่สามนะคือต่อเมื่อได้เห็นต่อเมื่อได้ยินคําของพระเจ้าถึงจะสามารถมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นะนี่คือบุคคลมีสามอย่างในโลกเพราะฉะนั้นถามว่าเอ้คนที่เราจะบอกว่าเขาสอนไม่ฟังอะ่ะมันเป็นคนประเภทไหนเจ้าค่ ะ, ะต้องอต้องแยกอีกด้วยนะเจ้าค่ะว่าเป็นประเภทไหนในสามประเภทนี้ถ้าเป็นประเภทที่ว่าอยู่ในใต้ดินเนี่ยนะ เราก็จ ะ, จะต้องไป่อยเขาไปเราจะต้องวางจิตให้เราเป็นอุเบกขาเจ้าค่ะทีนี้เราเราไม่สามารถที่จะไปวัดได้เราเพราะเราไม่มีเครื่องรู้นั่นคือของเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปสอดที่จักระแล้แล้วก็วัดออกมาได้คนนี้สอนได้ไม่สอนไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นคุ ณ, คณเนินใจมันไม่เหมือนวัดไข่นะเจ้เาค่ะไม่เป็นอย่า ง, งานั้นหรือว่าเอาคุณเอาหมอมาเปิดสมองเขาออกเอาไฟที่ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บปิดสมองเข้าไปมันจะออกมาเป็นคนที่สอนไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะมันไม่เป็นอย่างนั้น คือถ้าจะตอบอย่างที่คิดว่าเหมาะสมในเรื่องนี้เนี่ยนะว่าคนสอนยากจะเอาอะไรสอนเนี่ยคำตอบง่ายที่สุดคิดว่าจะดีที่สุดด้วยก็คือว่าให้เอาศรัทธาสอนด้วยศรัทธาคือหมายก็ว่าถ้าบุคคลนั้นมีศรัทธาเนี่ยมันสอนได้ศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาในอะไรคือศรัทธาในคาสอนของพระเจ้าศรัทธาในบุคคลที่เขาจะไปเรียนด้วยนะคืออย่างบางคนเนี่ย เ, เป็นคนดีอยู่จริงแต่ว่าไม่ลงใจกับครูบาอาจารย์องค์นี้ แต่ไปลงใจกับครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งอย่างเงี้ยลงใจเนี่ยหมายความว่ามีศรัทธานะเพะฉะนั้นบุคคลนี้ก็จะไม่ได้สามารถถูกสอนได้ด้วยครูบาอาจารย์องค์นั้นแต่สามารถสอนได้ด้วยครูบาอาจารย์องค์นี้เท่านั้นแต่เพราะว่าเขามีศรัทธากับคนนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาเนี่ยจึงจะสามารถสอนได้คือสมมุติเด็กคนหนึ่งเด็กชายเด็กชายน้ําเงินอย่างเงี้ยเด็กชายน้ำเงินมีศรัทธากับคุณครูคนนี้ นะคุณครูคนนี้พูดอะไรเขาก็เชื่อหมดเลยปฏิบัติตามหมดเลยนะแต่เด็กชายน้ําเงินนี่ไม่มีศรัทธากับคุณครูคนนั้นนะไม่ว่าคุณครูคนนั้นจะบอกอะไรเด็กชายน้ําเงินก็ไม่ทําตามเพราะว่าไม่มีศรัทธาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่สอนยากได้เนี่ยสอนยากเนี่ยจะสามารถสอนให้ได้ถ้าเขามีศรัทธาพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ด้วยบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเนี่ยเราเปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีส่วนประสาท มีส่วนประสาทนะต้องมีหูนะสัตว์เานั้นพึงปรงศรัทธาลงไปเถิดนะเพราะนั้นคําสอนของพระเจ้าเนี่ยจะสามารถที่จะดําเนินไปได้ทําให้บรรลุได้อย่างน้อยมาขั้นแรกได้เนี่ยศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวศรัทธาเนะี่ยคือความมั่นใจความมั่นใจความลงใจในคําสอนพระเจ้าความมั่นใจความลงใจในกรูบาอาจารย์ อีกในย่าหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องศรัท ธ, ธาตรงนี้คุณเนใจพระเจ้าเคยบอกว่า เ, เราเนี่ยควรจะไปหาบุคคลใดสักบุคคลหนึ่งจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นคนที่อายุมากกว่าเราก็ได้หรืออายุน้อยกว่าเราก็ได้ที่เรามีความกลัวและความเกรงใจในบุคคลนี้อันความฮิริโอตปะนั่นะคือความกลัวและความเกรงใจเราจะมีอยู่ในพวกท่านผู้นี้อย่างแรงกล้าเราไปตั้งศรัท ธ, ธาไว้ในผู้นี้ คือคนนี้พูดอะไรมาเราจะเราจะกลัวเราจะระแวงเขาไม่เราจะเกรงใจในอย่างในประเทศไทยเนี่ย เ, เขาเอาประมุกของประเทศเนี่ยเป็นบุคคลที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมเพราะว่าบุคคล น, นี้พูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาด้วนะทุกคนจะเกรงใจทุกคนจะทําตามทุกคนจะเคอยระวังคอยที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลผู้นี้พูดนะซึ่งในประเทศไทยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัจวจะ่มาที่เป็นบุคคลที่เอ คนยังมีความเคารพยังมีความเกรงใจยังมีความเกรงกลัวยังมีความตั้งไว้ศรัทธาอย่างตั้งมั่นในบุคคลนี้อย่างแรงกล้าด้วยจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าในลักษณะาาเดียวกันนะว่าเราควรจะต้องมีตั้งศรัทธาคือจะสอนคนนั้นจะสอนได้หรือไม่ต้องถามว่าเขามีศรัทธาไหมถ้าเขามีศรัทธาสอนได้ถ้าก็ไม่มีศรัทธาทำยังไงให้ศรัทธาเขาเกิดให้ได้นะพระพุทธเจ้าก็หลายๆครั้งนะก็ใช้เทคนิควิธีที่จะเรียกศรัทธาไปงันโดยใช้วิกทีวิธีบ้าง อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้เจ้าใช้ถ้าเราไม่มีทํำยังไงบางทีผู้เจ้าก็ใช้การแสดงธรรมเป็นมาติหารคือแสดงธรรมให้ละเอียดรอบคอบชัดเจนมีแง่มุมมีวิธีทางแก้ไขพร้อมด้วยเหตุและผลชัดเจนอย่างนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์ชัดเจนพร้อมตั้งอัตถะพร้อมตั้งเบียนชนะโดยตั้งแต่ต้นตกลางและปลายนะพอคนฟังธรรมะในลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันปิ๊งเลยปิ๊งเสร็จปุ๊บจะมีความร่าเริงจะมีความศรทัทธาจิตจัน้อมไปได้ คนนี้จะสอนได้คนคแบบนี้สอนได้นะคือต้องอยู่ที่ตัวผู้สอนด้วยนะเจ้าคะว่าจะต้องรู้เรื่องนั้นจริงกระจ่าง<ช>แล้วก็สามารถที่จ ะ, ะเผยแร่คำสอนอันนั้นอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เจ้าคะ่ะว่าถูกทั้งอัฏฐพยัญชนะทุกอย่างกระจ่างหมดเลยเ อ, อันนี้ก็สร้างศรัทธา<ช>ของคนที่จะเรียนนะเจ้าคะ่ะให้เชื่อมั่นในครูอาจารย์คนนี้แล้วเราก็จิตใจก็จะน้อมเชื่อไปอใช่หเจ้าค่ะ จะข อ, ะ จ, ะขอจะขอประกาศความผิดของตัวเองนิดนึงนะคือตัวเราเนี่ยตอนแรกๆเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่ะนะคือเราคิดว่าแบบสมมาสมพุทธเจ้าเหรอก็คงเป็นเรื่องในตำราแต่เ ข, เขาเขียนมาเฉยๆทางอีสานเขาก็จะมีบุญพระเวทเขาก็ร้องกันไปร้องกันมาไม่รู้มีจริงหรือเปล่าแต่สมัยก่อนเราคิดอย่างนั้นนะคือคเราเป็นคนไม่ดีเราไม่มีศรัทธาคุณแจใจเป็นสิ่งไม่ดีนะท่าฟังอย่าทำตามทีนี้ว่าพอเราพอพอเรามาบวชแล้วอ่ะ ดูในใจเราก็ไปศึกษาคําสอนพู้เช่าอย่างแท้จริงศึกษาพุทธวจนะอนหนังสือทำผู้เช่าพูดอย่างนี้เอาเขาขยายความว่ายังไงเฮ้เราพบว่าโอ้โหคําสอนนี้มันลึกซึ้งมากไม่ใช่ว่าคนธรรมดาธรรมดามันจะมาสอนได้แล้วคนที่จะสอนได้แล้วเขาต้องทําได้เองจริงๆเรามาพิจารณาถึงกระบวนการขั้นตอนที่พู้เช่าบรรลุมาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดามากทำให้เรามีความศรัทธาเนี่ยผู้ช า, าเกิดขึ้นเจ้าค่ะและนั่นก็เพราะว่าความ ละเอียดรอบข้อบรัฐกลุ่มความชัดเจนในธรรมะที่พระเจ้าอธิบายนะทําให้เรามีความศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นมากกว่าตอนที่เมื่อก่อนไม่มีโจค่ะทีนี้อย่างในกรณีท่านผู้ฟังที่เดินทางมาถึงวัดหรือว่าฟังรายการธรรมารับบรญอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยถามตัวคุณดูเองว่าคุณมีศรัทธาไหมทําไมถึงมีศรัทธาคือคนไม่มีศรัทธาเขาไม่ฟังธรรมหรอกคุณเดินใจ ค, คือนอกจากว่าจะมีคนมา เ, เขาเรียกว่าคอยบังคับให้มาฟัง แต่ฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ shall shall and shall shall ้าตัวเองฟังรู้เรื่องแล้วรู้สึกว่าธรรมะนี่มันฟังรู้เรื่องเนี่ยนะอ๋อแสดงว่าลักษณะธรรมะอย่างนี้แหละแต่ทาให้เรามีศรัทธาได้คือก็คือคำสอนของพระเจ้านะอาตมาไม่ได้คิดเองนะเราลอกมาจากของพระเจ้าแต่ถ้าถ้าจะศรัทธาตัวเราเนี่ยก็คือศรัทธาพระเจ้านั่นเองจุคะเพราะฉะนั้นก็ให้มีความศรัทธาในพระเจ้าน่ะถึงจะถูกต้องจุคะศรัทธาแล้วสอนได้ศรัทธาแล้วสอนได้ไง่ายศรัทธาแล้วเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะได้ เราต้อตงมีสตางค์ทีนี้คนที่เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมเนี่ยเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมเนี่ยนะคือคนทั่วไปเห็นความทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมะนะคุณเตืใจมีเยอะเลยเจ้าค่ะเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์เฉยๆเจ้าค่ะทีนี้เห็นทุกข์แล้วพระุทธเจ้าบอกคนที่เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมได้เ น, นี่ยมันมีตัวขั้นกลางอยู่ตรงนี้เอ่อพอมีความทุกข์ตรงนี้เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าพูดอยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเที่ยวได้เคยพูดไปเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าค่ะนะว่ามีอยู่ตออนนนนหึึ่่่่งททีีีีเเเยยกกวววาาพมมคุขิด้้แล ทุกเนี่ยจะทําให้เกิดอทําให้มีศรัทธาได้นะคุณจะทําให้ทุกแล้วเห็นทําได้เนี่ยตัวระหว่างตรงนั้นเนี่ยตัวเชื่อมเลยตัวเดียวตรงเนี้ยคือศรัทธาเมื่อมีทุกข์นะทุกเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาศรัทธาเป็นเหตุที่ทําให้เกิดรู้ธรรมะในการที่จะปล่อยวางทั้งหมดได้เลยอืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมระหว่างทางแก้กับปัญหาฟัางให้ดีนะตัวเชื่อมระหว่างปัญหาเรามีปัญหาทุกคนนะกับทางแก้ก ค, คือศรัทธา ศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจในคําสอนพระเจ้าวความมั่นใจความลงใจในผู้ที่คิดคนได้ความมั่นใจความลงใจไม่ว่าใครจะเป็นคนไหนหนานเท่าไหนก็ตามถ้ามาปฏิบัติตามนะก็จะต้องได้เหมือนกันนี่คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงเจ้าค่ะที่อาตมาพูดตรงนี้นะเจ้าค่ะอันนี้หมายถึงว่าโยมแปลนะเจ้าคะว่าก็คือถ้าเผื่อเราเนี่ยเกิดมีความทุกข์ขึ้นมานะเจ้าคะทุกกายทุกใจอะไรก็แล้วแต่มีความไม่สบายใจเนี่ย ถ้าเราหันเข้าหาคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตศรัทธานะเจ้าค่ะว่าอันนี้ล่ละเป็นทางที่เขาบอกกันมาลหละว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงเมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็สั่งสอนมาถึง 2,600 ปีเนี่ยมันต้องมีอะไรดีบ้างลหละเราก็หันมาสนใจปฏิบัติธรรมรักษาศีลซึ่งอันนี้เป็นการแก้ที่เรียกว่า เหมือเห็นพอเรามีทุกข์เราจึงเห็นธรรมก็คือสร้างศรัทธาแล้วก็หันมาศึกษาปฏิบัติจริงจังก็ความทุกข์นั้นก็จะหมดไปใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องทีนี้ถ้าเราถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ผิดนะเราก็จะไปผิดทางเลยนะถ้าคุณตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่จริงจังเช่นไปพึ่งต้นไม้ไปพึ่งป่าไปพึ่งผีอย่างเงี้ยก็จะเป็นคุณมีศรัทธาในสิ่งนั้นแต่มันมันแก้ไม่ได้คือแก้ได้นิดนิดหน่อยๆ ไปบนบานสารกล่าวมันก็จะแก้ได้นิดๆหน่อยๆจะไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมพุทาวังนั้นเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคําตอบในเรื่องนี้ตอบง่ายๆก็คือว่าจะเอาอะไรสอนเอาศรัทธาสอนให้เขามีศรัทธาจะสอนได้เจ้ค่ะอันนั้นเป็นคําตอบข้อแรกของคุณพ่อหนูจันนะเจ้าค่ะใช่ใช่อีกข้อหนึ่งคุณพ่อแถมมาว่าไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คุณพ่อหนูจันถามงี้อีกว่าฤาษีฤาษีนะฤาษีเนี่ยถือศีลกี่ตัวอือเจ้าค่ะ แต่มาก็จะตอบได้ว่าตะมาไม่ทราบเพราะว่าเพราะว่าฤาษีเนี่ยมันไม่ใช่สาวกของพระเจ้าอ่ะคือเราเราเราเนี่ยนะเป็นสมณศากักยบุตรนะคือบุตรแห่งแบบบุตรอันเกิดจากปากของพระผู้มีพระภาคแตพระเจ้าจ บ, บัญญัติอะไรเราก็ทําตามนั้นใช่เพราะนั้นฤาษีเนี่ยก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งคือนี้ต้องเท้าความให้ฟังก่อนอย่างนี้ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะตั้งแต่ตอนที่ก่อนพระเจ้าจะออกบวชเนี่ย ก็มีการการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในรูปแบบต่างๆการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือหมายถึงว่าคุณออกป่วยจากเรือนนะนะเพราะมีประเภทหนึ่งที่ที่ทรมานตัวเองนทะรมานตัวเองพวกนี้ก็เรียกเรียกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าพวกครนหรืออะไรประมาณเนี้ยพวกนี้ครนหรือพวกเดรัจฉีพวกนี้นะนักบวชประเภทหนึ่งก็เป็นนักบวชเปลือยกายนะก็เรียกว่าอาเจริกะพวกนี้ก็เป็นนักบวชเปลือยกายก็อีกประเภทหนึ่ง ะนะส่วนมีอีกประเภทหนึ่งนะสองประเภทแรกเนี่ยบางทีก็รวมเรียกว่าพวกนิกรตหรือพวกสาวกต่างๆพวกอาเจนละกะพวกนี้ก็แยกกันไปส่วนหนึ่งส่วนมีอีกประเภทหนึ่งที่ว่าทํา ส, สงบสงบอย่างเดียวนะีพวกนี้ก็เรียกว่าสมณะแตนะ่จริงๆคําว่าสมณะเนี่ยมีใช้มานับแต่ก่อนพ ร, พระพุทธเจ้าจะบวช ด, ด้วยซ้ำนะพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าเออการประพฤติพระมจรในรูปแบบนี้ดีนะไม่ได้เป็นการทรมานตัวเองไม่ได้เป็นการเรื่องง่ายๆดีก็เลยใช้รูปแบบตรงเรียกว่าสมณะตรงนี้มา แล้ว <Okay. S 2> พอพอมาภายหลังเนี่ยสมณะนี้เขาก็จะกกนผมแล้วก็โกนหนวดด้วยพอมาภายหลังเนี่ยพอจะมีหมู่คณะเยอะมากขึ้นก็มีการบัญญัติอะไรต่างๆมันชัดเจนมากขึ้นมีกฎระเบียบที่มันเป็นรูปแบบมากขึ้นในเช่นการถ่มจีวรให้มันเป็นรูปแบบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันในสมัย <Okay. S 2> ก่อนก็จะไม่เป็นแบบนี้นะผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าแบบปอนๆไม่มีชายในเดี๋ยวนี้มันมีชายผ้าตัดเรียบร้อย ใ<น>ชยค่ะเมื่อก่อนก็จะไม่ใช่เป็นผ้ากระทงกระทงเป็นอย่างนี้ปะปะเอาก็จะเป็นเศษผ้ามาต่อต่อกันที่ว่าไม่ได้เรียบร้อยเท่าแบบนี้อืมจุกค่ะอาจจะคนผมตรงวันกันบ้างไม่ตรงวันกันบ้างในะสมัยนี้เราก็นัดกันให้มันตรงวันกันนะก็จะมีความเรียบร้อยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจุกค่ะทีนี้ว่ารือสีแหละเราก็ต้องถามว่ารือสีนี่เป็นแบบสมณะหรือเปลา่าหรือว่ารือสีแบบที่เไว้ผมไว้หนวดถ้าไว้ผมไว้หนวดก็จะไม่เหมือนสมณะละ ก็จะเป็นลักษณะของพวกที่ผมยาวหนวดยาวอใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นสมณะเนี่ยก็จะต้องโกนผมโกนหนวดด้วยอืมค่ะทีนี้ก็ต้องถามว่าฤาษีที่เขาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคืออตะมาก็ไม่สามารถที่จะไปไปตอบแทนเขาได้นะว่าเขาถือสินกี่ตัวใช่ค่ะแต่ถ้าเราจะประวิเคราะห์จากการที่เขาบอกว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยทั้งนั้เขาต้องมีศีลแปดเป็นอย่างน้อยหรือหรือว่าศีลข้อสามของสีลข้อที่แปดอะนะ ก็คือการที่ไม่เสียเมถุนนะมีการประพฤติพรหมจรรย์เบญกาจจากการกระทําอันไม่ใช่พรหมจรรย์คือเบญกาจจากการเสียมถุนนั้นเป็นของชาวบ้านเจ้าค่ะนะบางทีฤาษีบางประเภทก็ยังฆ่าสัตว์อยู่ก็มีอืเจ้าค่ะคือหมายว่าทําร้ายคนอื่นนะนะก็ก็ก็มีในประวัติศาสตร์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาถือกี่ตัวแปลนก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนก็ได้เจ้าค่ะคิดว่าน่าจะข้อที่สามน่าจะต้องมีอืมเจ้าค่ะ <No. S 2> ก็อันนี้ก็เป็นคําตอบที่พระอาจารย์พายุนุพิพุโนได้เมตตาที่จะตอบคุณพ่อหนูจันทนะเจ้าคะที น, นี้มีคมําถามอีกไหมเจ้าคะมีมีสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งก็มาที่วัดเหมือนกันในวันถัดมาอมา <คะ S 1> จากอําเภอเชียงการจังหวัดเลยใช่ไหมอำเภอเชียงการใช่เจ้าค่ะคือคุณสมศักดิ์กับคุณปวีนาสิทธิแก้วก็เดินทางมาถึงที่วัดเลยคือคนที่เดินทางมาถึงที่วัดป่าดอนไหนโศนี้คิดว่า ก็ไม่ใช่ธรรมดาแลคุณตนใจแถวนี้มันบ้านนอกเหมือนกันนะมาว่าไกลมากๆเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีศรัทธาประสาธะจริงๆนี้คงไม่ดานโดนมาเจ้าค่ะเพราะจากถนนใหญ่เข้าไปรู้สึกจะ8ปกกิโลใช่ไหมเจ้าค่ะบกิโลสิกิโลกิโลเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าเราสวยงามเป็นธรรมชาตินะเจ้าค่ะก็ไม่ใช่ว่าเป็นทางผ่านแล้วคุณจะมาผ่านแล้วก็แวะมามันก็ต้องอ้อมนิดนิดนึงอย่างี้นะ ต, ตั้งใจจริงแหละนะเจ้าคะ่ะแฟนก็เลยจะพูดถึงคนที่มานี่แหละเพื่อให้เป็นกำลังใจกับท่านที่มานะคุณสมศักดิ์กุณปวีนาศรีที่แก้วก็ได้ถวายทานเอาไว้นะไช่วยร่วมสร้างบวญกับหลวงพ่อด้วยสาธุเจ้าค่ะ อ, อนุทินาด้วยเจ้าคะ่ะแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการสร้างบุญเจ้าคะ่นะว่าการสร้างบุญด้วยการให้ทานเนี่ยก็เป็นสิ่งดีพระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้คนให้ทานเป็นสิ่งที่ดีเราสลักออกเรานําออก เราเข้าสู่บริษัทไหนเราก็ไม่ครั่งคร้ามนะเป็นการให้ทา น, เ, นเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนทีนี้นี่การทําบุญในระดับที่1นนะึการทําบุญที่ยิ่งขึ้นไปอีกนะพระเจ้าก็พูดถึงการรักษาศีลนะสมมุติเราจะฆ่าสัตว์เออเราไม่ทำและกันตบยุงจะไม่ทําวันนี้ปล่อยมันไปนะให้ทานด้วยการให้ทานชีวิตนะเป็นศีลอย่างหนึ่งเจให้ทานด้วยการที่ไม่ลักขโมยก็เป็นศีลอย่างหนึ่งให้ทานด้วยการที่ไม่ดื่มสุราเราให้ทานสุราไปวันนี้จะไม่กิน นะอันนี้คือคุณก็รักษาศีลได้ละนะวันนี้คุณให้ทานคําพูดที่ดีออกไปนะคําพูดที่ไม่เป็นคําโกหกคําพูดจริงๆอันนี้เราก็รักษาศีลข้อที่สีได้ละอืมค่ะอันนี้ตรงนี้พระเจ้าก็เรียกว่าเป็นมหาทานนะคือเรื่องของศีล<ม>เนือเนื้อขึ้นไปอีกคุณเตือนใจเรื่องของการสร้างบุญนะก็คือการเจริญสมาธิภาวนาการพัฒนาจิตนั่นเอง ก็คือการปฏิบัติบูบชาใช่ไหมเจ้าคะใช่ใด้วยการบูชาด้วยการที่ไม่ใช่อามิตรนะคื อ, อไม่ต้องใช้เครื่องมือมาล่อไม่ต้องใช้สิ่งของมาล่อแต่ว่าใช้ใจเราทำนะคือคนที่ใจบุญใจกุศลหนึ่งเนี้ยคนที่ปฏิบัติทําส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมการให้ทานอยู่แล้วเพราะว่าจิตมันมันน้อมไปในทางที่เป็นกุศลอะอะไรที่เป็นกุศลเราก็จะให้เราก็จะจะทำะการให้าทานเป็นสิ่งดีเราก็ทํำดังนั้นก็เลยเป็น ประเด็นที่ว่าโอการสร้างบุญนะมีด้วยวิธหลายวิธี น, นี่คือพูดอย่างคร่าวๆ3อย่างทานศีลภาวนานะถ้าพระุทธเจ้าจะพูดละเอียดลงไป10อย่างก็มีสิบนะอย่างก็มี ค, คือกุศลกรรมบท10สนะิบคิดว่าจะมีเวลาพอที่จะอธิบายเรื่องกุศลกรรมบท10ได้อยู่เจ้าค่ะกอนนี้หมดเลยเจ้าค่ะพระุทธเจ้าพูดถึงศีลสีข้อแรกนะัคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมนะไม่แกล้งกล่าวเท็จ สามสข้อแรกก่อน3ข้อแรกเป็นเรื่องของทางกายกายว่าจะกายไม่ค่าสารไม่ลักทรัพย์ไม่บริพุปผิดในกรรมคุณจะแต่งงานก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่บริรูปผิดในกาม3อย่างแรกสี่ข้อถัดมาสี่ข้อถัดมาเป็นเรื่องของวาจาวาจานะคือคือเราพูดละเอียดลงไปเนี่ยคือพูดถึงเรื่องกายวาจาใจวาจาคืออะไรไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคําหยาบไม่พูดโกหก โกหกนี่คือการที่แกล้งกล่าวเท็จให้ผิดต่อโลกในะการพูด อ, อ้อมๆการพูดแบบเฉีดๆไปเฉีย ด, ดมานี่ก็ยังไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นโกหกะนะเจค่ะโกหกนี่คือโกหกแบบรู้บอกบอกไม่ไมรู้เห็นบอกไม่ไมเห็นหรือไม่เห็นบอกเห็นอย่างเงี้ยนี่คือการโกหกจริงๆค่ะการพูดส่อเสียก็คือการพูดกระทบกระทบแทรกแดกๆพูดส่อเสียนี่คือการพูดยุยงให้แตกกันต่อไปนะ่เป็นการพูดยุยงให้แตกกันคือนาําความข้างนี้ไปบอกความข้างโน้นเพื่อแตกแฉฝ่ายนี้ นะเราเลิกเราไม่ทำพูดคำหยาบก็คือการใช้ภาษาจะใช้ภาษาที่หยาบหรือใช้ภาษาที่สุภาพก็ตามนะแต่ไปทําให้จิตของเขาแตกทําให้จิตของเขาเฮิรหน่างจากสมาธิแต่บางคนเนี่ยใช้คําพูดที่แหมหวานมากเลยแต่มันกระเทือนจิตมันบาดลึกเนี่ยโอ้โหนี้ถือว่าเป็นคําหยาบนะเค่ะค่ะเราก็พูดเพ้อเจ้อพวกนี้ก็คือพูดแบบไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้า ง, อ, งอิงอุบโลงขึ้นมายกขึ้นมาเองลอยๆพูดไม่มีเวลาจบไม่มีเวลาเริ่มพวกนี้ ถือว่าเป็นพระอาจาย์เพื่เจอทั้งสิ้นโชค่นะนัอีกสาอย่างถัดมาเป็นเรื่องของใจนะคือไม่มีความเพ่งเร็งนะทรัพย์ของใครเราอยากได้มาเราไม่เป็นอย่างนั้นนะัไม่มีความพยาบาทนันะเป็นผู้มีความกรุณาอินดูกับสัตว์ทั้งหลายแลนะ้อสุดท้ายก็คือเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินะัสัมมาทิฏฐิก็คืออะไรล่ะนะัคือการเชื่อการตัดสู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อเรื่องพ่อมีแม่มีมาดาบิดามีเทวดา ม, มีการให้ทานได้ผลบุญมีบาปมีคนทําบาปได้ผลคนทําบุญได้ผลเชื่อในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นสมาธิแตเพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยจัดอยู่ในตรงข้อนี้นคคจิตเรามั่นใจในเรื่องของการให้ทานมีผลปุ๊บมือมันก็จะควักออกให้สลัออกให้ได้อันนี้ก็คือคคถ้าพูดสั้นๆ3มอย่างนะัคือทานศีลภาวนา พูดละเอียดได้เป็นสิบอย่างคือเรื่องกุศกลกรรมบทสิบตรงนี้นี่เป็นการสร้างบุญบุคคลที่เป็นอย่างนี้นะคุณจ้นใจปเจจาบอกว่าเหมือนกับถูกนําตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์อืมเจ้าค่ะเหมือนกับถูกนําตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์คือได้ึ้สวรรค์นแน่นอนใช่มเจ <อ S 1> ้าค่ะจ่อเลยจอเลยจะ <อ S 1> มีะราชรถมารับแน่นอนเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราเร า, เราทําไปอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่เล่นการพ น, นันแล้วก็ถูกครั้งแรกครั้งเดียว นะชนะได้เงินมากมายเลยนะคือการที่เราได้ขึ้นสวรรค์นเนี่ยนะพระเจ้าเปรียบเทียบว่าคนที่เล่นการพนันแล้วถูกครั้งแรกเนี่ยนะจนกระทั่งร่ารวยมหาศาลเนี่ยนะยังถือว่าโชคดีน้อยกว่าคนที่ทําความดีแล้วได้ไปสวรรค์อีกนะอืมค่นะคนที่ทําความดีในสิบอย่างเนี่ยถูกตัวถูกเก็บไว้ในสวรรค์แล้วเนี่ยตายไปได้ขึ้นสวรรค์นเนี่ยมันเฮงมากกว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกอืมค่ะอืม เนี่ยนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าเออถ้าเราสร้างบุญแตเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการสร้างบุญสร้างบุญเนี่ยอรรมาก็พยายามจะต้องเน้นให้ให้ชัดเจนว่าคุณสร้างบุญด้วยการทําอะไรให้ทานหรือเปล่าหรือรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันเกิดได้ง่ายมากเลยคุณใหสมมุติเราจะโกหกแม่อย่างเงี้ยหรือโทรไปจะโกหกเมียจะโกหกผัวโอ้ยฉันอยู่ที่นี่นะเราคิดว่าฉันไม่ทำแล้วกันวันนี้ฉันจะขอพูดตรงนะพูดตรงไปเลยเผชิญหนานะพูดให้มันดีๆ เนี่ยพูดอย่ามาอะไรทำไมพูดตรงๆพูดอ่าที่กาเขาจะไม่โกรธแต่พูดในลักษณะที่ไม่หยาบแล้วก็ไม่ใช่เป็นคําโกหกอันนี้เราจิตเราสูงขึ้น ท, ทันทีเราได้บุญทันทีเลยนะมไม่ต้องหาพระด้วยนะอ๋อสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังคําแนะนําของพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนแล้วเนี่ยอย่างทุกท่านก็ต้องนึกร้องอ๋อว่ า, าเราทําได้แล้วก็สามารถทําได้จริงนะเจ้าค่ะใช่อ่าเจ้าค่ะแล้วก็อย่างเวลา เราจะตบยุงอันนี้มันง่ายมากช่วงนี้ฤดูฝนยุงมากด้วยเจ้าค่ะอบางคนมีความคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยยุงห้ามผ่านเข้ามาในเนื้อที่บ้านของขอบเขตบ้านของฉันถ้าผ่านเข้ามาถือว่าคุณบุกรุกฉันทําลายคุณได้อันนี้เปความคิดที่ผิดคุณอยากไปฆ่าสัตว์เลยนิดนิดหน่อยหแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะให้ให้มันกาดใบให้ทานให้ทานชีวิตอันนี้บุญเกิดทันทีเนาะพระอาจารย์เคยสอนเจ้าค่ะยมจําได้ว่าสมมุติว่าเห็นยุงบินมานี่ เราก็คิดว่าอไม่ทําล่ะให้เขามีชีวิตไปอีกไม่นานเขาก็จากโลกนี้ไปแล้วนะเจ้าค่ะตามบุญตามกรรมเขานี่แค่นี้เราก็ได้บุญแล้วนะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องอ๋อสาธุเจ้าค่ะทีนี้ว่าเรื่องเชื้อโรคเราก็ต้องป้องกันนิดนึงอาจจะปัดปัดมันออกไปหและการป้องกันในอนาคตที่ดีขึ้นก็ค่อยแก้ไขไปนะอืมเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็วันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่๕สิงหาคมนะคะเราได้รับฟัง พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนนะคะแห่งวัดป่าดอนไหาโศกนั้นได้เมตตาที่จะมาสาักคำหรือพูดคุยสนทนาในข้อที่คุณพ่อหนูจันท์ชมปากทางได้เดินทางด้านด้นไปถึงวัดป่าดอนหายโศกนะคะที่อุดรธา น, นีทั้งที่ท่านอยู่จังหวัดสกลนอครแล้วก็ไปถามไว้สองประการซึ่งพระอาจารย์ก็ได้ตอบไปแล้วรวมทั้งคุณสมศักดิ์กับคุณปุวีนาสิทธิแก้วด้วยจากเชียงคานจังหวัดเลยนะคะคก็เรื่องของการะคะคสาร้างบุญดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งตามเราฟังรายการ ธรรมาราบุรุญและฟังพระอาจาร ย, ย์ไพบูลอภิปุโนท่านได้สากชาในเช้าวันนี้ได้ความรู้ได้ข้อคิดและก็ได้แนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นบุญ เป็นกุศลต่อตัวเราอย่างยิ่งทีเดียวนะคะเหมือนกับตัวเดนเองซึ่งเป็นผู้ ด, ดำเนินรายการนั้นเนี่ยก็ได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเข้าชีวิตเนี่ยเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะค่ะเช้าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะคงจะต้องกลับมาพบ ก, กันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะซึ่งเป็นช่วงของการสากรชานะคะเช้านี้ก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้ำมสการขอบพระคุณและกราบน้ำมศการลาพระอาจารย์ไพบรุณวิพุโนโและพระเดชพรคุณหลวงพ่อดรศาสตร์ทิโตภาโสท่าน จะาอาวาัดวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าคะ่ะกราบน้อมสักการขอพระคุณเจ้าะ่ะพระอาจารย์เจ้าขะเจริญพนสาธุเจ้าคะ่ะ